เจ็สึบ ก, กว่าปีแล้ววันหนึ่งก็ปรากว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาหลอดเลือดก็คไปเรื่องหัวใจมันตีบก็ โ, โชคดีที่พาส่งโรงพยาบาลได้ทันแต่ว่าหลังจากรักษาแล้วเนี่ยท่านก็ต้องนอนติดเตียงพอติดเตียงนานๆเข้าอาการก็แย่ลงไม่รู้ตัวแล้วก็พอรู้ตัวบ้างแต่ว่าน้อยมาก หลังอาการอย่างอื่นก็เข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นหัวใจไม่ว่าจะเป็นตอดสุดท้ายก็โคมา่าแต่ก็อยู่ได้ด้วยเครื่องพยุงชีพในห้อง ICU สภาพปกติง่ายคือนะความดันนะต่ำหัวใจก็เต้นผิดปกติก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่า ช่วงเวลา8ดโมงเช้าถึง9โมงเช้ากับช่วง6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยความดันท่านก็จะกระเตื้องขึ้นหัวใจก็เต้นดีแต่พอเลยเวลานั้นไปนี่ก็มีปัญหาเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันหมอก็ไม่เข้าใจเรงพยาบาลก็ ไม่เคยเจอตหลังได้พูดคุยกับพระที่มาดูแลพระท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยช่วง8 0ดโมงถึงเกโมงเช้าเนี่ยกับช่วงหก0มงเย็นถึง1ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ทางวัดเนี่ยเนี่ยสดมนทํวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็หลวงพ่อท่านก็มาทาวัดเช้าวัดเย็นไม่ได้ขาดเลย เป็นอย่างนี้มาเรยกว่าตั้งแต่หนุ่มเลยก็ว่าได้4 0 50พันสาก็ท่านก็ไม่ค่อยได้ขาดการทำวัดเท่าไหร่ก็เลยสันธิฐานว่าการที่อาการของท่านเนี่ยมันกระตืองขึ้นช่วงเวลา2เวลาเนี่ยคงเกี่ยวพันกับการทำวัดสวดมนต์ที่ท่าน ทำไปกิจวัดก็เป็นไม่ได้ว่าเนี่ยพอถึงเวลา8ปดโมงเช้าถึงเก0ามงเช้านี่ยหรือว่าหโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งหลวงพ่อท่านก็จะนึกถึงการทำวัดสวดมนต์พ่อทําอย่างนี้มาหลายส0ปีแล้วพอเจ็ดท่านเนี่ยนึกถึงการทำวัดสวดมนต์เนี่ย ใจท่านก็จะรู้สึกผ่อนคลายสงบพอใจสงบมันก็มีผลต่อร่างกายต่อความดันต่อหัวใจมันก็เลยผ่อนคลายไปด้วยอันนี้ก็เชื่อเป็นไปได้นะจิตของคนเราเนี่ยนะมันมี อำนาจเหนือกายนะการที่หลวงพ่อในท่านมีการทรรมสดมนเป็นกิ จ, จวัตรเนี่ยมันทำให้พอถึงเวลาเนี่ยใจท่านก็จะนึกถึงการธรรมสดมนแม้ภายนอกดูเหมือนว่าท่านจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือโคมา่าแต่ว่าใจท่านก็ยังยังรับรู้นะเพียงแต่สื่อสารอะไรบอกใครไม่ได้ แต จ, จิต ท, ท่านรับรู้และอะก็ตามที่ทาเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเนี่ยนะมันก็ง่ายที่จิตจะระลึกนึกถึงสิ่งนั้นหรือสิ่งที่ทำพอเถึงทานธรรมส่วนมนใจก็สบายใจสบายกายก็ดีขึ้นด้วยเป็นไปได้ว่าการที่ท่านธวรมส่วนมนเป็นประจําเนี่ย ทุกครั้งที่ทำมัณวสวนมนใจท่านก็น้อมนึกถึงพระรัตนตรยัยใจท่านก็สบายกายของท่านก็จะพอยสบายผ่อนคลายไปด้วยเป็นเช่นนี้มาตลอดมันก็เกิดความทรงจาขึ้นในในร่างกายหรือว่าในวงจรเกิดวงจรของสมองว่าพอถึงเวลานี้ใจมันก็จะพอถึงเวลานี้ร่างกายมันจะสบายพอเป็นอย่างนี้วันแล้ววันเล่าเป็นอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่า พอถึง8โมงเช้า9โมงเช้า6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งจิตใจก็จะสบายเพราะเป็นช่วงของการทำวัด ส, สดมนกายก็ผ่อนคลายไปด้วยร่างกายบางทีมันก็จำได้นะมันจำได้ถึงสิ่งที่ทำอะไรซ้ำๆกันโดยที่บางทีก็ไม่ต้องอาศัยใจเข้าไปกำหนดเลยก็ได้อย่างเวลาคนที่ขับรถ จนชนานาญเนี่ยนะมือก็ดีเท้าก็ดีมันก็ทำงานของมันเองในการจับพวงมาลัยในการจับในการเหยียบเบรคในการเปลี่ยนเกียร์มันทำโดยอัตโนมัติขณะที่กำลังพูดคุยกันหรือขณะที่กำลังคิดโน่นคิดนี่แต่ร่างกายมันทำงานของมันเองเพราะว่ามัน มันทำอย่างนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าบไม่ทั่วจนารทังมันมันเกิดความทรงจำขึ้นในในร่างกายในกล้ามเนื้อที่แขนที่ขาอันนี้เป็นเพราะการทำซ้ำๆและยิ่งกรณีของการทำวัดมนเนี่ยนะมันมีจิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอจิตเข้าไปแล้วลึกนึกถึงช่วงเวลาการทาวัาดมนจิตสบายกายก็ อนคลายเป็นปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะมันแสงเห็นว่าสิ่งที่เราทำอะไรซ้ำๆเนี่ยไม่ว่าในส่วนกายหรือส่วนใจเนี่ยมันถึงเวลามันก็ยังทางานของมันได้เหมือนก็จะเป็นอัตโนมัตินะแล้วมันก็แสงเห็นว่าใจเนี่ยนะมันมีอำนาจเหนือกายอย่างที่เาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว พอจิตสบายนะพอถึงการัฒน ว, วสดมนกายก็พ่ อ, อยดีไปด้วยอันนี้คล้ายๆกับเรื่องของผู้ชายคนนึงนะแต่เป็นชาวอังกฤษนะอายุก็ประมาณใกล้ๆกับหลวงพ่อนี่หนะลวงใกลๆก้ๆหลวงพ่อองค์นี้ 75. พออยุมากขาเขานี่ปรากว่าสมองเริ่มมีปัญหาไม่ถึงกับเป็นอัลไซเมอร์นะแต่ว่าสมองมันเริ่มเสื่อม สมองเสื่อมเนี่ยก็ทําให้ความจําก็เลอะเลือนและตอนหลังก็พูดลําบากชิ้นแรกก็ยังเดินเหยืไปไหนมาไหนได้ยังคิดนึกอะไรได้แต่ตอนหลังเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรก็ยากแล้วก็อ่านเขียนก็มีปัญหาแล้วแต่ยังฟังรู้เรื่องนะยังฟังรู้เรื่อง ไปพูดแต่ละก็รู้เรื่องและต่ลังร่างกายมันก็เริ่มแย่ลงการเคี้ยวการกลืนมีปัญหาคือร่างกายเนี่ยหรือสมองมันเริ่มจะจําไม่ได้แล้วว่ากลืนยังไงเคี้ยวยังไงมันรวยไมหมดนะเพราะว่าการกลืนการเคี้ยวเนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อนเนี่ยสิบกมัดเลยนะมันใช้การรูื้อสิบกมัดมันต้องประสานงานกันดีมากพอสมองเริ่มเริ่มเรมร่อนเนี่ย ในการบังคับกล้ามเนื้อให้เคี้ยวให้กลืนนี่ยากแล้วและต่อมาก็เริ่มเป็นอัมพาตนอนติดเตียงเคลื่อนไหวลาบากแต่ว่ายังฟังรู้เรื่องแม้จะพูดไม่ได้และแกเป็นคนที่ทําใจยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ได้นะแม้ว่าร่างกายมันจะทุพลภาพแต่ว่าก็ไม่หัวเสียไม่งุนงิด เพียงแต่ปรับตัวให้เข้ากับร่างกายที่มันเปลี่ยนไปแก่บางคนที่ชอบดนตรีแล้วก็เป็นนักร้องนักร้องในในโบสถ์นะนักร้องคู่กับภรรยาจนกระทั่งพอป่วยแล้วก็ปวดระวางแต่ก็ยังมาฟังการร้องสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์อยู่เป็นประจำทุกวันเนี่ยทุกเช้าเนี่ย แกกับภรรยาก็จะสวมดมนต์ตัวเองสวดไม่ไม่ไม่ไม่ได้แล้วก็ภรรยาก็สวด น, นำํำสา ม, มีก็เหมือนกับว่าจะน้อมใจนึกตามก็ทํอย่างนี่เป็นประจำมีวันหนึ่งสวดเสร็จเนี่ยภรรยาอยากคลุม อ, อกคลุ้มใจแกก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพราะว่าจู๊จสา ม, มีหรือคนป่วยเนี่ยก็ร้องตาม ชัดถ้อยชัดคำเลยภรรยาแปลกใจมากเพราะสามีนี่พูดไม่ได้แล้วแต่และความจําก็แย่ด้วยแต่ทำไมร้องเพลงได้ชัดถ้อยชัดคําแล้วไม่มีบางช่วงนะภรรยาก็ร้องส่งสามีก็ร้องรับถูกต้องนะแป๊ะเลยเหมือนกับที่เคยร้องในยาปกติ จนกระทั่งร้องจบภริยาประหลาดใจมากสามีร้องได้ยังไงในเมื่อความจำก็เสื่อมพูดก็ไม่ได้แต่ร้องเพลงได้และร้องถูกด้วยและทำอยูอยู่หลายครั้งทีเดียวปรึกษาหมอก็หมอก็บอกว่าเนี่ยสงสัยถึงแม้ว่าสมองบางส่วนมันแย่แต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยมันยัง ยังทำงานได้ปกติจิตใจคนเราเนี่ยบางครั้งก็ยังดีอยู่นะถึงแม้ว่าสมองมันจะแย่เพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันจิตใจของอคุณลุงคนนี้หรือคุณโปค น, นี้แกก็ยังเหมือนกับปกติเพียงแต่ไม่สามารถบังคับสมองให้พูดได้แต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ย ก็สามารถที่จะร้องเพลงออกมาได้อันนี้ก็คงเป็นเพราะว่าร้องเพลงอยู่เป็นประจำแล้วก็มีความศรัท ธ, ธาในพระเจ้าถึงเวลาจะร้องเพลงก็ร้องออกมาได้เพราะว่าเป็นการทาซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรแล้ว หรือเป็นนิสัยนะมันเป็นวงจรที่เรียกว่าผนึกแน่นอยู่ในสมองเพียงแต่ว่าขอให้ใจเนี่ยนะมันมันนึกถึงพอใจนึกถึงแล้วก็ได้วความศรัทธาก็สามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาได้ถ้าห ท, ที่ร่างกายหรือสมองนี่มันแย่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยมันมีใจเป็นนายกายเป็นบ่าว สมองแม้ว่าจะจะแย่แล้วนะแต่พอใจมันสั่งให้ร้องมันก็ร้องได้นะถึงแม้ว่าบางอย่างทาไม่ได้นะเช่นเคี้ยวเช่นกลืนแต่ถ้าเป็นเรื่องการสรรเสริญพระเจ้านี่โอ้ใจมันโน้มไปทางนั้นเต็มที่เลยมันก็สั่งให้เปร่งเสียงออกมาได้อย่างชัดถ้อยชัดคำเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำซ้ำๆกันทำซ้ำๆู่กระทั่งมันไม่ใช่เรื่องยาก อันนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าการที่ใจคนเราเนี่ยน้อมนึกอะไรหรือทำอะไรซ้ำๆกันเนี่ยนะมันก็สามารถจะทำให้กายเนี่ยนะตอบสนองไปในทางที่สอดคล้องกันได้ทางนั้นที่มันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่ว่าเรื่องของใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าที่สดานมาก เพราะนที่คนโบราณว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยมันมันเป็นความจริงคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคนะั้นโรคนี้นะแต่ว่าร่างกายมันสามารถจะทำในสิ่งที่ไม่ปกติได้เนี่ยอันนี้เพราะใจแท้ๆเลยและที่ใจทำกันได้เพราะใจมันมีการทำอะไรซ้ำๆกันซ้าๆกันเช่นสวดมนต์ซ้ำๆกันอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆ ถึงเวลาได้เวลานี้ก่อนนึกถึงการสวดมนต์ทันทีเพราะนึกถึงการสวดมนต์ใจผ่อนคลายกายก็สบายในเรื่องการทำอะไรซ้ำๆเนี่ยเนี่ยเพราะการทำในสิ่งที่ดีงามเนี่ยเนะช่นสวดมนต์ก็ดีนะหรือว่าการฝึกสติก็ดีหรือการน้อมนึกถึงสิ่งดีงามเช่นพระเจ้าหรือพระตนาไตรก็ดีถ้าทำซ้ำๆกันซ้ำๆๆกันนี่ ถึงเวลานี้ไม่ต้องไม่ต้องสั่งนะจิตมันทำงานของมันเองแต่ใหม่ๆเราก็ต้องอาศัยฝึกจิตก่อนอาศัยบังคับจิตให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อาศัยเจตน า, าศัยความตั้งใจแต่พอทําซ้ำๆกันซ้ำๆกันถึงเวลาที่ไม่ตั้งใจเนี่ยมันนึกขึ้นมาได้เองอย่างที่เคยเล่านะ ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังขี่จั ก, กรยานเพราะว่าจู่ๆมีรถพุ่งมาชนข้างหลังเจ้าตัวเนี่ยรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพียงไม่กี่วินาทีเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่รถจะชนแต่แกเล่าว่าเนี่ยก่อนที่จะหมดสติหมดความรู้สึกตัวพรรถชนเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์สามอย่างเกิดขึ้นก็คือเห็นแสงสว่าง แสงสว่างนวลแล้วก็เห็นภาพของหลวงพ่อที่กขนับถือแล้วใจก็เริ่มสวดมนต์แล้วก็หมดสติไปโชคดีที่เขาไม่ตายไปแล้วเขาตายเขคงจะไม่สามารถจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้แต่ถ้าเขาตายนี่เขาคงจะไปดีนะเพราะว่าเขาไม่มีความกลัวอะไรเลยมันมีแต่ภาพที่ดีๆเป็นภาพที่ทําให้ใจสงบ ถ้าเามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะในการที่เห็นแสงสว่างเห็นภาพครูบาจารย์ล้วก็จิตมาเริ่มสวดมนต네์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบ ป, ปุัปรับนะหมายความว่าชาย ค, า KK, คน volcanic, คนี้ใครโวยแกคงจะทาอย่างนี้อยู่บ่อยๆนึกถึงครูบาจารย์อยู่เรื่อยๆสวดมนต์อยู่เป็นประจำพอถึงเวลาวิกฤตหน้าสือหน้าขวานี่ จิตมันเริเลิกขึ้นมาได้เองเลยไม่ต้องสั่งนะไม่ต้องตั้งใจมันเริลึกขึ้นมาได้นะนึกถึงครูบาอาจารย์หรือว่านึกถึงบทสวดมนต์อันนี้เพราะการทําซ้ำๆทำสม่ําเสมอทําเป็นอาจินในการเจริญสติการทําความสึกตัว น, นี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราทํำบ่อยๆทําซ้ําๆทําเป็นอาจินเนี่ย ใหมๆ่ๆในตั้งใจต้องตั้งใจเจริญสตินะต้องตั้งใจมีสติกับการกินข้าวการอาบน้ำมีสติาการสวดมนต์มีสติกับการเดินกลับไปกลับมาที่เรียกว่าเดินจงกรมมีสติาการยกมือใหม่ๆมันต้องอาศัยความตั้งใจอาศัยเจตนาพูดง่ายๆแต่พอทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆนี่ ไม่ต้องเจตนาแล้วมันมาเองถึงเวลาที่เราโมโหถึงเวลาที่ฉุนเฉียวถึงเวลาที่หงุดหงิดนะมันได้สติขึ้นมาทันทีเลยมันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลยหรือถึงเวลาเกิดวิกฤตนะรถเกิดยางแตกขณะที่วิ่งด้วยความเร็วสูงนะคนอื่นตกใจหมดนะแต่ว่าคนขับได้สติ หรือว่าบางทีคนนั่งเองก็ได้สติเพราะว่าฝึกสติเป็นประจำแทนที่จะตื่นตกใจไปกับคนอื่นด้วยนะก็รู้ว่าควรจะทำอะไรอันนี้เรียกว่าทีแรกเนี่ยเราต้องรักษาสติต่อไปสติก็จะรักษาเราและนี่เป็นวิธีการนะที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นมิตรทีประเสริฐที่สุดของเรา ใจเนี่ยนะมันสามารถจะเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเราก็ได้หรือเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดก็ได้ใจของเราเนี่ยมันทำได้2 อ, อย่างสามารถเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดหรือว่าเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดมันอยู่ที่ว่าเราจะฝึกจิตแบบไหนถ้าเราปล่อยจิตไปตามสบายตามน่าองกิเลศ อันนี้ก็เป็นการฝึกเหมือนกันนะแต่เป็นการฝึกที่ทำให้จิตเนี่ยสามารถจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจปกติแกก็เล่นกีฬาเช่นเทนนิสเป็นประจำก็คิดว่าสุขภาพเนี่ยดีปรากฏว่าวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วนะก็ตกใจมากเลย เพราะว่าหัวใจรั่วในภาพที่แกจินตนาการคือหัวใจเป็นรูแล้วมันเวลามีเวลามันบีบเนี่ยมันก็มีเลือดไหลออกมาพุ่งออกมาแบบนี้ก็แย่สิแบบนี้ก็ตายสิจริ ง, รงๆหมอตั้งใจเพราะว่าลิ้นหัวใจแกร่รั่วแต่หมอพูดไม่ครบและลิ้นหัวใจรั่วยังใช้ชีวิตตามปกติได้แต่พอเชาวันนี้แกเข้าใจว่าหัวใจรั่วเนี่ยแกก็เสียขวัญทันทีเ กลับไปบ้านกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลือว่ากลับไปบ้านได้แค่2วันนะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อยู่โรงพยาบาลได้ไม่กี่วันก็เข้าห้อง ICU ยและหลังจากนั้นก็ไม่ออกมาอีกเลยนะคือเสียชีวิตที่จริงหัวใจลั่วนี่ยังใช้ชีวิตตามปกติได้ออกกำลังกายเล่นเทนนิสได้แต่ว่าเด็นเพราะแกเข้าใจผิด แล้วเกิดปรุงแต่งไอโรคอาการที่ไม่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้แกเสียชีวิตได้เนี่ยไม่ใช่เพราะหัวใจรั่วหรือลื่นหัวใจรั่วแต่เพราะใจใจที่กลัวใจที่วิตกกังวลใจที่ปรุงแต่งสารพัดบางทีร่างกายเป็นอะไรนะแต่พอใจมันคิดปรุงแต่งสารพัดไปทางลบทางไล่เนี่ยมันฉุดกาย มันฉุดกายให้ย่าแย่เลยนะถึงตายได้หรืออย่างที่เล่าไปนะคุณป้าเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไม่รู้เป็นอะไรเข้าๆอ อ, อ, อ, ออกอยู่ได้แหละจนกระทั่งวันหนึ่งหมอบอกป้าเป็นมะเร็งตับนั่งอยู่ได้ไม่เกิน3มเดือนโอแกเสียขวัญมากกลับไปบ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลอย่างรุนแรงนึกถึงความตายใจเสียนึกถึงลูกนึกถึงหลานเกิดความวิตกกังวล ดูได้แค่12มันก็ตายที่ทาไมตายเร็วก่อนการพยากรของหมอเป็นพเพราะมะเร็งมนลุกลามหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นเพราะใจร่างกายไม่เป็นอะไรมากนะแต่พอใจมันเสียแล้วเนี่ยมันฉุดกายให้ยำย่จาจนทั้งตายอย่างรวดเร็ว อ, อันนี้จึงบอกว่าเนี่ยใจเนี่ยนะมันสามารถจะเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเราก็ได้เจออะไรเนี่ยก็ ไม่เวลวร้ายเท่ากับใจที่มันหวาดกลัวใจที่มันวิตกกังวลปุงแต่งไปสารพัดใจทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าแม้จะเจอโรคร้ายแต่ว่าใจเนี่ยนะฝึกมาดีก็สามารถที่จะอยู่ได้งมีความสุขนะอย่างตัวอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งแต่ว่าใจก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะบางทีขอบคุณมะเร็งด้วยซ้ํา หรือบางทีก็ขอบคุณความทุกข์นะว่าความทุกข์นี่มันทำให้มันดีกว่าความสุขนะความทุกข์มันทำให้เราอยู่กับความจริงอยู่กับตัวเองไม่ซึ่งดีกว่าความสุขที่มันทำให้ใจฟุ้งร่องลอยอยู่กับความทุกข์ฐานนี้มีพลังในการเขียนนิยายหรือบางคนก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายกระตื้องขึ้น พอใจดีใจเป็นกุศลแล้วร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆื่อไปเป็นจิตอาสาจู่จูก็บมะเร็งก็หายไปเลยนะเพราะว่าจิตใจมีความสุขที่ได้ทำความดีจิตใจเกิดเมตตากรุณาไอ้โรคที่มันเคยทำให้ร่างกายแย่มก็พอ่อยทุกการเยียวยา บ, ำบำําบ ใจเนี่ยมันจะเป็นมิตรที่ดีที่สุด ข, ของเราหรือจะเป็นศัตรูที่ร้ า, ายเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกนะบ่อยครั้งเราฝึกใจไปในทางที่เป็นผลร้ายกับเราเช่นเจออะไรก็บน่นเจออะไรก็โวยวายกลายเป็นคนขี้งุ่งี่กายเป็นคนที่โวยวายหรือว่าฝึกใจให้เป็นคนตินนี่ห่วงนั่นห่วงนี่เงินหายหรือว่า แม่ค้าทอนไม่ครบก็โมโหหรือว่าก็สึกเสดายใครมาทำอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็เกิดความโกรธเกิดความหัวเสียขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยแค่ได้ยินคำนินทาแค่นีนิดเดียวก็โมโหโกรธแล้วหรือบางทีเขาไม่ได้นินทาแค่เขาแค่หยอกแค่ล้ อ, ลอก็โกรธโมโหทำไมถึงโกรธง่ายนะ อันนี้เพราะว่าสะสมนิสัยนี้เอาไว้มาเป็นเวลานานแล้วก็เรียกว่าบ่มเพาะสร้างสมนิสัยให้กับจิตในทํานองนี้มาจนกระทั่งมันกลายเป็นศัตรูที่มาทาร้ายเราหาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้เลยแต่คนบางคนก็รู้จักปล่อยรู้จักวางใครมาใครมาต่อว่าก็ยิ้ม ไม่โกรธเลยเดี๋ยวว่าแต่ดินทาแค่มาต่อว่าดาทอก็ยิ้มนะนั่งรถมมีคนมากระแทกก็ไม่ถือสาอย่างคุณยายคนนึงนะนั่งรถอยู่นะมีหญิงสาวสะพายกระเป๋าบใบโตลงมานั่งข้างๆเก้าอี้ข้างๆนั่งโดยที่ไม่สนใจอะไรกระเป๋าบใบโตก็มาถูกหน้าฝุดยาย ถูกหัวคุณยายแกก็ไม่โกรธไม่ถือเพราะแกเป็นคนที่ไม่ถือสาอะไรง่ายง่ายผู้หียงคนนั้นมาค้นหากระของในกระเป๋ากระเป๋าก็ไปสะกิดแขนยายยายแกก็ไม่ลำคานไม่หงุดหงิดหัวเสียผู้หญิงคนนั้นพอลุกขึ้นมากระเป๋าก็เวียงเกิดจะไปโดนหัวคุณยายคุณยายก็เอามือกันเอาไว้แกก็ไม่ว่าอะไรตรงข้างกับผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างหลังนี้ ทนไม่ได้นะกับบอกผู้หญิงว่าให้ระวังหน่อยสิกระเป๋าคุณไปลบกลัวนคนอื่นแล้วคนอื่นนี่เดือดร้อนแต่คุณยายแกไม่เดือดร้อนเลยแกทำงานได้ไงเพราะแกไม่ถือไงแกก็ไม่ถืออยู่แกฝึกจิตให้ไม่ถือเรื่องพวกนี้นั้นเจอ ม, มีอะไรมากระทบก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปอันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโน ม, มัตินมันเกิดจากการฝึก ถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆฝึก บ, บี้บ่อยๆจิตของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจิตที่ไม่ถือสาไดง่ายๆเป็นจิตที่รู้จักปล่อยรู้จักวางเรื่องจะเป็นจิตที่นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอยู่เสมอเป็นจิตที่มีแต่ความเมตตากรุณาเป็นจิตที่เราลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงบุญกุศลมันสุดแท้แต่ว่าเราจะฝึกจิตแบบไหนถ้าเราฝึกไปในทางที่ดี จิตก็จะเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุด ข, ของเราถึงเวลาเกิดอุปสรรคเกิดความวิกฤตอะไรต่างๆสติก็ดีความรู้สึกตัวก็ดีเมตตาดีมันก็จะเข้ามาช่วยรักษานะให้ผ่านพ้นจากวิกฤตได้แล้มันอยู่ที่การเลือกของเรานะเราจะเลือกว่าจะเลือกฝึกจิตให้เป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุด ข, ของเราหรือจะเป็นมิตรหรือจะฝึกจิตให้เป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุด ข, ของเราก็ได้ การที่เราฝึกสติเนี่ยถ้าเราฝึกสติ บ, บ่อยๆสร้างความสุขตัวบ่อยๆเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยนะมันจะช่วยทําให้จิตของเราเป็นจิตที่ประเสริฐเป็นจิตที่พร้อมที่จะพาเราผ่านพน้นอุปสรรคพ้พนวิกฤตต่างๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการสวดมนต์บ่อยๆการเจริญสติ ท, ตทำความสุขตัวบ่อยๆการทําความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆ พวกนี้เนี่ยไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าไม่มีคำว่าไร้ประโยชน์นะมันจะมีประโยชน์เกือ้อกูลเราไม่วันนี้ก็วันหน้านะเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราพยายามทำสิ่งนี้ซ้ำๆกันทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆเราจะได้ที่พึ่งนะที่หาได้ยาก